โ อ, อบปรมพระในคืนวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันหาร้อยก้าณวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยานะสัมปันโนภูมมา ศ, ศ, ศรรึกษาหนึ่งมากีเอาตัวไปไหม่หรอกลื้แนแม่จะยังสุงเพศเป็น สำนักหรือเป็นนักปฏิบัติแต้หาทาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวภายในใจตั้งเป็นหลักภายในใจไม่ได้โดยมากเนื่องมาจากเบื้องต้นที่เข้ามาศึกษากับครูกับอาจารย์ เข้าใจว่าเรามาแบกภาระกับครูกับอาจารย์กับหมู่กับเพื่อนมารับคำตักเกียงสั่งสอนดุดาว่ากล่าวซึ่งเข้าใจว่าเป็นของหนักทั้งนั้นไม่ได้คิดว่ากิจการทุกสัตว์ทุกอย่างที่ท่านสั่งสอนเ้าแล้ว เราดำเนินตามท่านนั้นเต็มชีวิมโมคลสำหรับตัวเราแต่ความคิดของเราไม่ได้คิดไปจนหนึ่งคิดไปเย่เหมือนกับเรามาเข้าสิ่งบังคับถูกบีบคั้นอยู่ ตลอดเวลาโดยอารมณ์ของตัวคิดขึ้นมาอย่างนั้นเพราะตามธรรมดาของใจยอมเป็นธรรมชาติไม่สนใจกับสิ่งที่จะเป็นสาระเปลี่ยนสารอยู่แล้วนอกจากจะ มีความสนใจใกล้ต่อสิ่งที่เคยจะทำตัวให้จมลงไปท่าเดียวเท่านั้นเป็นประจำนิสัยของจิตฉะนั้นริงเห็นว่าการมาอบรมศึกษากับหมู่กับเพื่อนกับครูกับอาจารย์ภารหน้าที่ต่างๆที่จะต้องจัดต้องทำหรือกได้รับการตักเตืตตอนสั่งสอนจากท่าน หนักบ้างเบาเ บ, าบ้างเข้าใจว่าเป็นภาระรุอเครื่องดีบบังคับเสียทั้งนั้นไม่เป็นที่สะดวกสบายใจใจที่เคยได้รับอิสระเสรีในตัวของตัวเองโดยไม่มีธรรมะเป็นเครื่องถุดลกาแต่ มีธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งคอยกดให้จมดิ่งลงอยู่เสมอเป็นหัวหน้าหรือเป็นเครื่องบังคับจิตใจอยู่ตลอดเวลาจึงอยากจะไปตามใจที่ชอบโดยตัวเองไม่ทราบว่าสิ่งที่ใจชอบหรือความคิดขึ้นมาที่ทำให้ใจชอบ นันเป็นทางถูกหรือทางผิดมาในทีนี้พิจารณาเกี่ยวกับหลักเหตุผลซึ่งควรจะแก้แกไขหรือดัดแปลงกันเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นความเคยชินตน่อสยอยากจะประดิสระได้ดีอยู่โดยลาพังตนเอง ผู้ที่คิดเทียบเคียงในเรื่องความหนักเบาว่าเราเป็นผู้มาศึกษากับครูกับอาจารย์เพื่อหาสาระสำคัญเรื่อยึดเหนี่ยวจิตใจของเราให้มั่นคงในปัจจุบันนี้และอนาคต ผู้ที่คิดเช่นนี้ย่อมจะคิดไปถึงเรื่องครูอาจารย์นำมาเทียบเทียงกันได้โดยถูกต้องว่าการมาศึกษาของเรากับครูอาจารย์ผู้คอยให้โอวาทแนะนำตักเตือ น, <c oughs> นตักเตือนสั่งสอนนั้นทางไหนจะเป็นภาระหนัก มากน้อยต่างกันอย่างไรบ้างเราภูมารับโอวาทสั่งสอนคอยทำตามคาชี้แจงของท่านกับท่านที่พยายามหาอุบายวิธีสั่งสอนเราให้เป็นแนวทางเดินอันราบรื่นนั้นทางไหนจะหนักมากกว่ากันมีท่าผู้ตั้งใจจะ อบรมศึกษาตนให้มีหลักเกณฑ์ด้วยดีแล้วจะต้องคิดเช่นนี้เรื่องของมูเพื่อนซึ่งเป็นผู้น้อยเข้ามารับการศึกษานี้นี่เข้าใจว่าครูอาจารย์ทุกท่านที่เป็นผู้แนะนำสั่งสอนเราต้องจะผ่านความเป็นผู้น้อยมาด้วยกันเมื่อเป็นเช่นนั้น ภาระหนักหรือเบาย่อมจะทราบได้ดีที่เกี่ยวกับผู้น้อนแต่เรื่องความเป็นผู้ใหญ่แนะนำตักเกตือนสั่งสอนหมู่เพื่อนนั้นเบื้องต้นจะยังไม่ทราบเพราะไม่เคยได้สั่งสอนแต่ถ้าผู้ที่คิดแบบที่กล่าวมาตะกี้นี้คือเรื่องนําหรือนําเรื่องครูอาจารย์กับเรื่องของเรามาเทียบเคียงกันว่าทางไหนจะหนักเบาวกว่ากันนั้น จะพอทราบได้นี่ก็เคยได้เป็นผู้น้อยมาเฉพาะอย่างยิ่งผู้นี้ทางด้านปฏิบัติออกมาแม้จะเรียนมีความรู้วิชาบ้างพอสมควรที่เขาให้ชื่อให้นามว่ามหาป ร, ริญญนกว่าตา่างแต่เมื่อก้าเข้ามาอบรมศึกษาทางด้านปฏิบัตินี้ เรื่องความรู้วิชาทางเกี่ยวกับทางด้านปฏิบัตินี้ย่อมเป็นผู้น้อยเสมอสำหรับเราได้มีความสำนึกตัวอยู่เช่นนั้นไออยู่กับครูอาจารย์องค์ใดไม่เคยทำตัวเป็นอิสระเสีดีจะต้องเข้าใกล้คิดสนิทกับท่านอยู่เสมอเพื่อจะทราบความเคลื่อนไหวที่ท่านจะระบายออกมาทางกายทางวาจา ซึ่งเรามีความจดจ่อดูแล้วเป็นประจำนิสัยต่ออุบายวิธีต่างๆที่ท่านจะระบายออกมานั้นเมื่อท่านระบายออกมาอย่างไรเราจะได้รับทราบท่านว่าให้ใครบ้างเราไม่ถือว่าท่านดุให้คนนั้นดุให้คนนี้เพราะเราเป็นนักศึกษาเพื่อธรรมะทั้งนั้นจะดุให้ใครด่าใครก็าตาม สั่งสอนใครว่าผิดหรือถูกก็าตามเราเป็นนักศึกษาจะรีบยึดเอาหลักนั้นเข้ามาเป็นเครื่องทดสอบตนเองทันทีว่าเท่าที่ท่านว่าประนั้นเราบกพร่องตรงไหนหรือสมบูรณ์แล้วถ้าหากว่าเราไม่มีข้อบกพร่องในจุดที่ท่านว่านั้นเราก็ยอมธรรมะให้ธรรมะนั้นผ่านไปด้วยความระวังตั้งใจของเรา ถ้าเราเห็นว่ามีตัวของเรามีความบกพร่องเช่นเดียวกับผู้ที่ถูกว่านั้นเราก็ทราบทันทีว่าเรานี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้บกพร่องเช่นนั้นไม่จําเป็นจะต้องท่านมาให้ท่านมาว่าให้เราเพราะเราได้ยินโดยชัดเจนแล้วที่ท่านว่าให้ใครนั้นเรื่องของเรากับเรื่องของผู้นั้นมันตรงกัน แสดงว่าผูกเราอย่างเต็มที่คนหนึ่งแหนวรีบมานํามาแก้ไขตนเองทันทีไม่ได้คิดสนใจว่าท่านดุท่านดา่าเพราะไม่ได้มุ่งไปหาคําดุคดาําด่าเนื่องจากสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวของเราก็มีแล้วไม่จําเป็นจะต้องไปหาศึกษาอบรมจากครูอาจารย์องค์ใดเพราะเรื่องความโลภความโกรธความหลงนี้มีเต็มใจด้วยกัน เมื่อไม่ถูกใจก็แสดงความโกรธขึ้นมาเท่านั้นนิสัยของสามมัญชนเราจะแยกจากทางสายนี้ไปไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงไม่จําเป็นที่จะต้องไปสนใจว่าท่านดุด่าว่ า, ากล่าวว่าอะไรบ้างเนื่องจากเรามุ่งอัดมุ่งทำต่อท่านซึ่งก็มีความแน่ใจอยู่แล้วว่าถ้าอาจารย์องค์นี้เป็นธรรมทั้งแท่งแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะรคะคายภายในจิตใจอันเป็นเหตุที่จะให้คิดว่าท่านดุท่านด่าเป็นต้น ตั้งใจศึกษาอย่างเต็มสติกำลังเรื่องคำที่ท่านว่าจะมีความคิดขึ้นว่าท่านโกรธให้เราอย่างนี้ไม่มีนอกจากว่าเรานี่งโง่เสียจนไม่มีทางจะงโง่อีกแล้วแต่แล้วก็แสดงช่องขึ้นมาอีกเป็นความโง่อย่างหนึ่งขึ้นจนหาจุดแห่งความโง่ ว่าไปสิ้นสุดที่ตรงไหนภายในตัวของเหล่านี้ไม่เจอช่องไหนก็มีแต่ช่องโง่เพื่อนออกมาทางใดก็มีแต่ออกช่องโง่ทั้งนั้นนี่ได้ทำหนิ้ตัวอยู่เช่นนี้ยิงได้รับคำตักเตือนสั่งสอนหรือดุด่าว่ากล่าวจากครูจากอาจารย์หนักเท่าเท่าไรจิตใจก็ยิ่งมีความกระยิมยิ้มย่องที่จะ ยึดเอาหลักธรรมนั้นเข้ามาฝังในจิตใจทันทีนี่ความเป็นผู้น้อยได้เคยเป็นมาอย่างนี้ไม่ได้ถือไม่ได้คิดว่าครูอาจารย์ท่านดุท่านด่านอกจากจะคอยเอาอัดทำจากท่านที่เต็มไปด้วยเหตุผลอย่างสมบูรณ์นั้นเข้ามาเป็นเครื่อง ยึดเหนี่ยวจิตใจและดำเนินตามเท่านั้นเราเป็นช่างเท้าหลังซึ่งคอยเดินตามท่านไหนเราจะว่าเป็นพระมีความเจ็บปวดแสบร้อนเพราะเหยียบขวากเหยียบน้าเดินทางไม่ราบด่นเพราะไม่มีใครถากถางให้เดิน อาการความเคลื่อนไหวทุกอย่างที่เรามุ่งหน้าจะดำเนินไปนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกลุยหมายผ้าทางที่ครูอาจารย์แนะนำสอนแล้วทั้งนั้นนอกจากว่าเราจะตั้งใจเดินตามท่านที่ท่านชี้บอกหรือไม่เท่านั้นไม่มีทางสายไหนจะปิดกั้นหาทางเดินไม่ได้สำหรับเราผู้มาศึกษาถ้าสงสัยตรงไหนว่าไม่มีทางเดินเราก็ถามท่านได้ นี่เราไม่มีอั้นอะไรทางเดินของเราเราจะหาความสะดวกมาจากที่ไหนในความเป็นผู้น้อยที่มาอบรมศึกษาจากผู้ผู้ใหญ่ซึ่งท่านขี้ช่องบอกทางอยู่ตลอดเวลาความเคลื่อนไหวไปมาไม่ถูกต้องที่ตรงไหนขี้บอกให้รู้ว่าจุดนั้นบกพร่องช่องนั้นโวให้รีบปิดกัน้นไม่างนั้นจะเป็นทางรั่วไหลแห่งความชั่วและจะฝังจิตฝังใจไปเป็นเวลานาน จนกลายเป็นของใหญ่โตขึ้นมาแล้วแก้ไขกันไม่ตกลบกันไม่ออกแล้วจะเสียคนเพราะสิ่งเล็กน้อยผสมกันโดยตนไม่มีความสนใจนั้นนี่เมื่อเทียบเทียงกันกันกนกบครูอาจารย์ผู้ท่านให้อวาวสั่างสอนแล้วทางไหนจะหนักหรือเบากว่ากันนี่เท่าที่ได้อบรมแนะนำต่างสอนมูเพื่อนนี่เรียกว่าสอนเต็มสติกาลังความสามารถ มีบกพ่องที่ตรงไหนบอกทันทีไม่ได้ปิดบังลี้ลับและมาเอาเรื่องของชาติชั้นวันนะตามวิสัยของโลกเข้ามาใช้ในวงแหวนาศาสนาและในการสั่งสอนเลยเพอความผิดไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครๆถ้าทําผิดลงไปแล้วต้องผิดโทษต้องแสดงขึ้นมานี่เห็นอยู่เพียงเท่านี้ว่าต้องสอนให้รู้จักพิธีแก้ไขสิ่งเหล่านี้จะหลุดลอยลงไปได้ ไม่ใช่จะหลุดลอยไปจากไปตามที่โลกนิยมกันคือชาติชั้นหวัฒนนะ์ะวิทยะฐานนะแต่จะหลุดลอยลงออกด้วยวิธีแก้ไขและวิธีสั่งสอนกันโดยทางที่ถูก นี่เป็นผู้น้อยได้ปฏิบัติมาอย่างนี้ครูอาจารย์ตาหนิติโทษเราตรงไหนนั้นแสดงว่ายังหยาบส่วนละเอียดเข้าไปอีกท่านไม่ได้ตักเตือนสั่งสอนเรายังมีอีกมากมายนี่ถ้าเราไม่ได้อุบายจากภายนอกคือความระมัดระวังเนื่องจากท่านแนะนำตักเตือนสั่งสอนให้ระวังเสมอเข้ามา เป็นเครื่องสนับสนุนภ า, ายในจิตใจของเราเราจะได้ความระมัดระวังมาจากที่ไหนภ า, ายในจิตใจจึงจะพ้นจากสิ่งที่เป็นข้าศึกซึ่งฝังจมอยู่ภ า, ายในใจของเราเป็นประจําำท่านนักศึกษาทุกๆท่านคนิตพิจนารณาดูให้ดีการสั่งสอนดัดแปลงตนเองนี้รู้สึกว่าเป็น ภาระที่หนักมากเหมือนกันกว่าจะปรากฏอะไรขึ้นมาบ้างพอที่จะนำมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนตามกำลังของตนไม่ใช่เกิดขึ้นมาได้อย่างง่ายดายผู้มาปฏิบัติจะห า, าแต่ความสะดวกสบายโดยไม่มีใครแนะนำตักเตือนสั่งสอนก็ให้อยู่อย่างสบายและมีอุบายต่างๆเกิดขึ้นขิดคุณงามความดีออกได้ วันละร้อยร้อยแสนแสนชนิดถ้าหากเป็นเช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าโลกก็ไม่ถือจำเป็นและกราบไหว้สาวกที่เป็นผู้ประกาศพระศาสนาแทนพระพุทธเจ้าตลอดถึงครูอาจารย์ซึ่งเป็นผู้แนะนำสั่งสอนถ่ายทอดมาเป็นหลักก็ไม่เป็นสิ่งสำคัญ เราที่จะเสา ะ, ะแสวงหาครูหาอาจารย์ก็ไม่จําเป็นเพราะอยู่โดยลําพังตนเองก็สามารถผิดคุณงามความดีขึ้นมานได้เป็นจํานวนไม่น้อยแลย้หากไม่เป็นเช่นนั้นแล้วเราก็ควรคํานึงถึงการมาศึกษาของเราเรามีเหตุผลอย่างไรที่เราจะก้าวเข้าไปหาครูหาอาจารย์แต่และองค์ในครั้งหนึ่งหนึ่งเรามีความคิดอย่างไรบ้าง เราเห็นความจำเป็นเกี่ยวข้องกับท่านอย่างไรบ้างเมื่อเราเห็นความจำเป็นอย่างนั้นเรามีความรู้สึกตัวของเราอย่างไรบ้างในขณะที่ได้ฟังอัจฟังธรรมจากท่านการดุดาว่ากล่าวสั่งสอนนั้นเป็นอุบายของครูของอาจารย์แม้แต่หลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีจำนวนไม่น้อยส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดที่จะนามาสอนโลกให้ได้รับประโยชน์ตามอุบายความฉล า, าดของพระพุทธเจ้า เราอยู่โดยลําพังมีความเฉลียวฉลาดขึ้นมาโดยครูอาจารย์ไม่ต้องแนะนําตัดเตือนสั่งสอนดด่ดูด่าว่าข่าวนั้นมีมากเท่าไหร่เรานํามาค่ดควรดูแับที่เราได้รับจากครูอาจารย์อย่างไหนมันดีหากว่าอย่างที่เราเห็นว่าดีโดยไม่ต้องมีใครสั่งสอนแล้วเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปหาครูหา อ, อาจารย์ ออกจากที่นั่นก็จะไปหาครูอาจารย์นั้นออกจากที่นั่นก็จะไปหาครูอาจารย์นั้นไปหาอาจารย์องค์ไหนจะต้องเป็นผู้แนะนำตักเตือนสั่งสอนเหมือนกันการจะยังพระศาสนาให้เจริญพนันธ์ใจของเราจะให้เจริญด้วยวิธีที่ไม่ต้องมีใครสั่งสอนเอาเลยอย่างนั้นหรือต้องมี นี่ผมก็หมดความคิดสติปัญญาครรู้สึกว่ามันทึบไปหมดแล้วที่สอนมูเพื่อนแทนที่จะให้ดีไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งเลวลงมันถึงกับให้ได้คิดมากมายอยู่ไม่น้อยเรื่องเกี่ยวกับมูเพื่อน คิดไปถึงการเวลาที่เราอยู่โดยลาพังคนเดียวเรามีความสะดวกาสบายใจแค่ไหนแล้วเวลามาเกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนมีภาระหนักมากเท่าไหร่การสั่งสอนซ้ำาๆำซากๆากยุ่งไปหมดหนักเท่าไหร่ เ, เหตนให้คิดมากเหมือนกันมองดูอนาคตไม่จำเป็นนี่มองดูลูกจิตไม่มองดูอนาคตแต่มองดูปัจจุบันของลูกจิตทุกทุกรูปที่มาศึกษา ปัจจุบันนี้มีความบกพร่องอยู่ที่ตรงไหนมัง่งสนใจสอนตรงในจุดปัจจุบันเพื่อให้จุดที่บกพร่องในปัจจุบันนี้สมบูรณ์ขึ้นมาแล้วอนาคตจะเป็นที่สมบูรณ์ของผู้นัน้นในพวกท่านมาศึกษาสนใจกับอนาคตมากกว่าปัจจุบันหรือสนใจปัจจุบันมากกว่าอนาคตผมเข้าใจว่าจะเป็นเรื่องลอยลมทั้งนั้นที่นั่นว่าจะดีที่นี่ว่าจะดีตัวไม่ดีวันยั่งคำ้ำมันตายทิ้งเปล่าๆไม่มีอะไรที่จะ เป็นความดีติดตัวไปเลยถ้าไม่สนใจในจุดที่มันเป็นอยู่เวลานั้นแบบมันถูกหรือผิดมันแสดงตัวอยู่เวลานี้นี่เป็นจุดที่จะทำอนาคตให้เสื่อมหรือจเจริญมันแสดงอยู่ที่นี่ทั้งนั้นถ้าดัดแปลงไม่ได้แล้วอนาคตก็คือผู้นี้เองจะเป็นผู้ที่จมศาสนาสอนลงที่ไหนถ้าไม่สอนลงตุดบกพร่องคือการวาจาใจของเราซึ่ง เพื่อนไว้ไปตามสิ่งบกพร่องเอาจริงที่ผิดอยู่ตลอดเวลาไม่มีทางอื่นที่จะสอนนิสัยที่คอาสุกก่อนหามนี้เป็นนิสัยที่เรียกว่าเน่าก่อนยังไม่สุกเน่าก่อนก่อนสุกนี่คือ น, นิสัยสุกก่อนหามยังไม่ตายมันเน่าแล้ว คนตายที่เน่ามันไม่น่ารังเกียจเหมือนคนที่เน่ายังเป็นเป็นอยนู่อันนี้น่าเกลียดมากคบค่าสมาคมกับใครไม่มีใครอยากจะคบค่าสมาคมมันเน่าั้งเป็นเหมอนคุ้งไปไกลามากเลยทั้งตามลมชวนลมไปได้หมด นักปฏิบัติไม่คิดไม่อ่านไม่ไตรตรองแล้วจะเอาอะไรมาเป็นสาระแก่นสารของตัวเองจะหาความฉลาดมาจากอะไรงานอะไรที่สมณะเรานักบวชเราที่เห็นว่าควรแก่หลักธรรมใ น, นทำไม่ได้เพราะพุทธเจ้าไม่สอนทำไมจึงจะทำไม่ได้ เราบวชเข้ามาเพื่อทํางานของพระทําไมจะทําไม่ได้เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าโง่หรือเราโง่คนทําไม่ได้ก็สอนนี่ถ้าว่าผู้เจ้าโง่ก็ต้องว่าคนทําไม่ได้ก็ยังสอ น, นถ้าถ้าว่าเราโง่เราก็ต้องคิดแบบพระพุทธเจ้าก็คนทําไมท่านทําได้แล้วเรา ท, ท, ท, ทํําทาไมเราทําไม่ได้นี่ถ้าเราจะว่าเราโง่เราจะได้ดีขึ้นนี้ ถ้าเราเห็นพระพุทธเจ้าโง่แล้วนั่นแหละเราจมเลยโง่ร็จมถ้าเราเห็นครูอาจารย์ว่าดุวดานาเข้าใจว่าเราดีถ้าดีแล้วมันก็ไม่จําเป็นจะต้องพัฒนาจากที่ไหนพอตัวแล้วไปหาประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์มีหมด ใส่หมดพุงคือนำออกมาสอนหมู่สอนเพื่อนซึ่งมาศึกษาด้วยจนหมดกำลังความสามารถลม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดสอนหมดเปลือกหมดแก่นจริงๆไม่มีอะไรเหลือเอาใครจะตั้งก็ตั้ง ตั้งเนื้อตั้งตัวใครแม่ตั้งก็อ้อาวไปนี่ไม่ได้ดีชั่วอะไรจากมูเพื่อนจะดีขึ้นหรือเสื่อมลงมีแต่ทางสอนจะให้ดีท่าเดียวความบกพร่องหรือความสมบูรณ์มันเป็นของเฉพาะอยู่กับตัวของเราคนเดียวปฏิบัติแบบชิดไม่มีครูไม่มีทางที่จะเจริญ เราความสะดวกสบายเข้าวะผมมันหมดปัญญาแล้วนะสอนหนูสิเคารพแต่อะไรอะไรไมันถูกกรรมใจเ่ของแล้วให้เลือกเต็มกำลังซะก่อนไปหรอกอันนี้มันไหลมันซึมมามันล้นเข้ามาจนกั้นไม่ไหวเอามามาแล้วมันก็เป็นขี้เหม็นคุ้ไประทุแห่งตุกหอนมันผิดอะไรกับความที่คิดไว้ นี่ที่มันลําบากอยู่คนเดียวมันก็สบายนี่นะมันไม่ได้ลําบากถ้าอยู่กับหมู่เพื่อนแล้วทําไม่ได้ตั้งังใจตั้งจิดตั้งใจทํามันหักเปล่าๆหากจะหนีไปหมดผมก็ยินดีมันจะไม่หนักใจแต่ถ้าอยู่ด้วยกันมากน้อยทําให้หนักใจสอนแล้วไม่ค่อยจะได้เรื่องในราวเนี่ยหนักมากผมไม่ได้หวังเอาอะไ ร, ะไรจากหมู่เพื่อนแล้วเวลานี้ มีแต่ภูมาเองทั้งนั้นไม่ได้เชื้อเชิญไม่ได้บังคับมาชั่วกับดีก็อยู่ตัวลำาลำพังตัวเองเอา้าวใครจะปฏิบัติใครว่าเก่งก็ผ่านไปสี่แทงไปที่มีง่ก็จะอยู่ตามง่อตัวเองหาไม่ได้ก็จะไม่หาซะนี่หาคนดีหาคนจะทรงศาสนาสอนเต็มความสามารถอยากจะให้ดีพอ ด, ดีมันยิ่งจะเร็วไปแล้วก็ปล่อยทะนั้นสิจะว่างไง แต่เขารักกันจนตายผัวเมียของเขาตายแล้วร้องไห้ฮะการอยู่แต่จะให้เอาไว้ในบ้านมันยังไม่ยอมก็ต้องออกออกจากบ้านไปอันนี้ก็เหมือนกันที่มันจนปัญญาแล้วก็ปล่อยที่ว่าไงการรับการสั่งการสอนมันเป็นครูอันหนึ่งเหมือนกันผลรายได้รา ย, ายเสียอะไรต้องเอามาทบทวนบวกลบดูหมดมาแต่ละรายรายต้องเอามาบวกมาลบดูรวมกันแล้วไม่รู้กี่รายแล้วบวกลบกัน มันเสกเหดื อ, อะทลายบ้างหรือมันลบไปจนเลยศูนย์ไปอีกนี่คิดไปหมดแล้วนี่ไม่ได้หวังเอาอนะไรน่ะการสอนหมู่สอนเพื่อนแดีก็หมู่เพื่อนดีเท่านั้นแต่จะเร็วนี้ก็ไม่เร็วไปด้วยถ้านนี่ไม่ทําความเร็วตามากตัวเองมันก็เป็นเรื่องของหมู่เพื่อนโดยเฉพาะของแต่ละลายลายไปเฉพา ะ, พาะมองเห็นท่าไหนมีจะท่าขวางอยู่อย่างนั้น่ะแล้วสอนช่องนี้ อาออกเดี๋ยวออกช่องนี้ช้อนนี้ออกช่องนี้ผาก็คนเด็กใช้ความคิดความอ่านยูบ้างแล้วไหนจะมาเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาอยู่ก็เคลื่อนแล้วไปจะเอาอะไรเรียบร้อยหรือน่าพื้นมันก็ต้องเป็นเบอร์อันนั้นเองไปไปไหนก็แบกเอาเบอร์นั้นไปเบอร์ไม่มีสถขานีทางผิดนันิดไปตนอดสายออกไปแล้วก็จะเป็นลูกศิษย์อาจารย์หาบัวนี่อีกอันหนึ่ง ย้อนมาเขียอยู่เรื่องเอาชื่อเอานามเอกไปขายกินเปล่ า, ลานี่ไม่ต้องการแล้วชื่อเป็นประโยชนอะไรไกลมันก็มีชื่อถ้าทําตัวไม่ดีจะเอาชื่อถึงชั้นเมฆชั้นฟ้าที่ไหนมันเกาะฟ้าแต่ฟ้าหรอคนมันจมอยู่นี่ยะวังไงหนังสําเร็จด้วยชื่อไม่จําเป็นจะต้องปฏิบัติกันต่างชื่อพ่อๆมามันขึ้นจุดฟ้าหนึ่งก็แล้วกัน มองเห็นใจมันจเจริญหูจเจรินตามันไม่จะเจริญได้ยินมันก็ไม่จเจริญเดินผ่านมาครัวเดินมาอะไรแรือว่าไม่รู้เหรือผ่านมาท่านต้องรู้แล้วผลใงการสั่งสอนเรามีอะไรบ้างที่ปรากฏมัมกตรวจดูผลเลที่ผู้มาตั้งใจมารู้ษามาตั้งใจจริงหรือไม่เดินไปตามกุฏิแั่นนั่ น, น, นไปอะไรไประกวดดูผลนั่นเนี่ยที่สอนเป็นยังไงบ้าง ผู้มาศาึกษาปฏิบัติตัวยังไงบ้างพอจะได้ชมเชยว่าผลเราที่เราสั่งสอนนี่สแสดงขึ้นมาอย่างนี้มีที่ไหนบ้างอะไรบ้างถ้าให้เรารู้กันว่าไงเดินไปเฉยนี่พอบผู้มาศาึกษาไม่ได้มาเฉยนี่ฟังจะประมาศาึกษาคือมาศาึกษามาปฏิบัตินั่นเรื่องหลักอันนี้กับหลักที่เราคิดนั่นก็โกงกัน เป็นอย่างเป็นอยู่านี้มันจะจมนะศาสนาเราอะไรมาเจริญศาสนาจะเจริญยังไงครอปฏิบัติในหัวใจของคนถ้าใจมาเจริญเราแล้วเท่านั้นอนะ่ะเขียนไว้กองจดเมฆมือก่อนเป็นกองหนังสือกองธรรมะแต่พูดที่จะนําไปปฏิบัติให้เป็นผลตามหลักธรรมะไม่มีจะว่างนะ อ่านนอนิพพานอ่านมั น, น, นยังขํามเขาอ่านได้แต่นอกผลนิพพานอยู่ที่ไหนก็ต้องนี้จะนี้จากหลักการปฏิบัติไม่ได้นะผู้ปฏิบัติต้องเป็นนักสังเกตนักไกตรตรองใตรครนูนผิดตรงไหนพยายามแก้ผิดตรงไหนพยายามแก่และมัดระวังตัวอยู่เสมอนั่นมันจะ สมบูรณ์ขึ้นมาเรื่องสติถ้าได้อาศาัยการระมัดระวังอยู่อย่างนั้นเสมอข้อกลายเป็นสติที่ดีขึ้นมาจนกระทั่งถึงเป็นสติที่มั่นคงได้จากการระมัดระวังระวังข้างนอกก็เป็นเรื่องของสติตัวเองระวังข้างในก็เป็นเรื่องสติตัวเองระวังอะไรเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องของสติเป็นการบมรุงสติทั้งนั้นนั่นหลักของความเพียรเป็นอย่างนั้น น, น, นั่งภาวนาก็กลัวจะจะตาย กำหนดลงไปที่จุดที่มันตายไปลไรนั่นแหละสัจจะอยู่ที่นั่นบังคับจิตจะให้มันหมุนออกข้างนอกมันหมุนอยู่ข้างในเนี่ยตายมันอะไรมันตายอะไ ร, ม, ะไรมันเป็นทุกข์ถ้ามันเห็นทั้งสิ่งที่เป็นทุกข์ทั้งที่ผู้ที่รู้ว่าเป็นทุกข์ผู้ที่หลงตามทุกข์ทำมันรู้ไปหมดนั่นถ้าจิตได้วิ่งตามสัจธรรมแล้วจะไม่มีอะไรปลอมขึ้นมาในภายในตัวเองจะจริงตลอดสายยังจะเลีบหลักไว้ได้ด้วย เป็นเครื่องเพิ่มพูณศรัทธาความเชื่อที่สาภะวิยะความเพียรขึ้นภายในตัวเองเป็นลำดับ น, น, นั่นผู้ศึกษาต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเจริญขึ้นหน้าที่ไม่ใช่เสื่อมลงเป็นลำดับมากินหมูกินเพื่อนกินครูอาจารย์กินเพศของตัวเอง ชินอะไรก็นอนใจนอนใจอส่วนที่มันจมอยู่ภายในนั้นชินพระตลาก็ยิ่งจมนันมันยิ่งมีทางถุดลากไปเรื่อยๆตายไปไม่รอดหรอปิดก็